ขอยกข้อความจากบาลีมาเป็นเครื่องทบทวนความเข้าใจเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำว่าอิทธิไปทีเดียวอิทธิแปลว่าความสำเร็จตามที่นพระอภิธรรมปิฎกวิพังครปกรอธิบายว่าคำว่าอิทธิหมายความว่าความสำเร็จความสำริการสำเร็จการสำเร็จด้วยดีการได้การได้จำเพาะการถึง สมบัติการสัมผัสการประจักษ์แจ้งการบำเพ็ญให้ถึงพร้อมซึ่งทำเหล่านั้นอิทธิแปลวา่าฤทธิ์อย่างที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหารตามที่ในเทศนาสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิเป็นไฉไนกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ใช้มือจับต้องรูปคลาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤทธิเดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายถึงพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิภิกษุทั้งหลายอิทธิบาตเป็นไนมักคาใดปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อการได้อิทธิเพื่อประสบอิทธิมักคาปฏิปทานี้เรียกว่าอิทธิบาท อิธิบาทภาวนาหรือการเจริญอิธิบาท Beatles, เป็นไฉนภิกษุในธรรมมวินนยนี้ย่อมจเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมจเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมจเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร นี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาในฉันทสูตรสั่งยุตินิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิภิกษุนั้นยังฉันทะให้เกิดพยายามระดมความเพีย ยกชูจิตไว้มุ่งมั่น 1. เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอากุศลธรรมอันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้น 2. เพื่อละอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น 4. เพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลือนหายเพื่อพิโยภาพ เพื่อความไพยบู์เพื่อความเจริญเต็มบริบู์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าปรธานะสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยประธานะสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะและปะธานะสังขารความเพียรสร้างสรรค์ หากว่าพิษุอาศัยวิริยะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว Actually, นี้เรียกว่าว <Türkiye> ิริยะสมาธิวิริยะนี้ด้วยวิริยะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปรธานสังขารหากว่าพิสุอาศัยจิตตะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว นี่เรียกว่าจิตตะสมาธิจิตตะนี้ด้วยจิตตะสมาธิ น, นี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิและปธานสังขารหากว่าพิสุอาศยัยวิมังสาจึงได้สมาธิจึงได้ภาะวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิวีมังสานี้ด้วยวิมังสาสมาธินี้ด้วย ประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวีมังสาสมาธิและประธานสังขารในเทศนาสูตรสั่งยุตินิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไนะมรกคามีองค์8ประการอันเป็นอริยะนี้แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนาในอปารสูตรสั่งยุตานิกายมหาวาระวัตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสอย่างเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการไปจากที่ไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่จุดหมายสู่ที่อันเป็นฝั่งคือจุดหมายคือจากที่ไม่ใช่จุดหมายสู่ที่อันเป็นจุดหมาย